เขาเจาะภูเขาเป็นอุโมงค์กว้างหวาสูงห้าวาใช้เวลาเจาะนานถึงสมปีได้เส้นทางลึกห้า้อยเจ็ิบวาแต่ช่องทางยังเหลืออยู่อีกจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองปีจึงจะทะลุเขาใช้เป็นเส้นทางสัญจรได้เขานั่งพักเหนื่อยยกมือขึ้นปาดเหงื่อที่หน้าผากบัดนี้อายุของเขาย่างเข้าสู่วัยชาราแล้ว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 เธอทอดสะพานให้ความงามความอ่อนหวานและความมีน้ำใจเกื้อกูลของนางได้ผูกมัดใจของซามูไรหนุ่มอย่างเหนียวแน่นทั้งสองลืมตัวลืมหน้าที่รอบรักได้เสียกันน้ำพึ่งแห่งความรักยังไม่ทันจืดจางขุนนางผู้เป็นสามีจับได้ซามูไรหนุ่มจึงใช้ดาบซามูไรฆ่าขุนนางผู้นั้นเสีย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 เมื่อน้ำเพื่องแห่งความรักเริ่มจางลงทั้งสองต่างมองเห็นความผิดของตนอย่างชัดเจนเป็นเหตุให้แหน่งนายจึงตัดสินใจแยกทางกันซามูไรต้องอยู่อย่างเดียวดายมโนธรรมและจริยธรรมของซามูไรเริ่มศาสสองดวงใจให้สว่างด้วยเหตุผลซามูไรสำนึกบาปของตนตรำพึงว่า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 บทคุณนางซึ่งถูกเขาฆ่าบัดนี้เป็นหนุ่มใหญ่และเป็นซามูไรด้วยเที่ยวตามหาเขาเพื่อแก้แค้นให้บิดามาพบเขาที่นี้จึงเริ่มจะทำการแก้แค้นซามูไรชราขอร้องวิงวอนว่าอย่าทำลายทางแห่งบุญโดยเอาชีวิตเขาในตอนนี้เลยขอเวลาอีกสองปี เมื่อเจาะภูเขาเสร็จแล้วก็จะขอชดใช้ด้วยชีวิตซามูไรหนุ่มเห็นว่าคำขอร้องของเซนไกซามูไรมีเหตุผลและเห็นว่าไม่มีทางหนีรอดไปได้จึงตกลงรอคอยขณะที่รอคอยนั้นดูการทำงานเจาะภูเขาของซามูไรชาราด้วยความเห็นใจและเพื่อให้งานแก้แค้นสำเร็จลุ่ล่วงไปโดยเร็ว ซามูไรหนุ่มจึงช่วยเซนไกเจาะภูเขาด้วยงานเจาะภูเขาสำเร็จเรียบร้อยก่อนเวลาสองปีที่กำหนดไว้เดิมต่อไปเหลือแต่งานการแก้แค้นเซนไกชารานั่งขัดสมาธิก้มหน้าโกงลำคอลงเพื่อให้ซามูไรหนุ่มจ้วงฟันได้โดยสะดวกแต่แล้วโดยไม่คาดฝัน ซามูไรหนุ่มกลับใส่ดาบเข้าฝักแล้ววางไว้บนก้อนหินก้อนหนึ่งซุดตัวคุกเข่าลงเบื้องหน้าของเซนไกพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าจะฆ่าครูของข้าพเจ้าได้อย่างไรนี่คือช่วงเวลาสองปีที่มานั่งดูและช่วยซามูไรชาราเจาะภูเขาอันเป็นทางแห่งบุญนั้นได้สอนให้ซามูไรหนุ่มได้บทเรียนแห่งการใช้ชีวิตที่ดีกว่า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 ไม่พึงดวนแตกจากมิตรไม่พึงเห็นแก่การยาวคือผูกเวนไว้ให้นานไม่พึงเห็นแก่การสั้นคือดวนแตกจากมิตรเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรในอดีตการที่คาวุกูมานพระราชโอรสของพระเจ้าที่คีติโกศลโกรธแค้นพระเจ้าพรหมทัต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 กำลังจะถูกประหารชีวิตไม่ทราบจะช่วยประการใดเพราะตัวคนเดียวหากแสดงตนว่าเป็นใครก็คงจะถูกประหารอีกคนหนึ่งในระหว่างที่กำลังจะถูกประหารนั้นพระเจ้าทีคีติโกสนเลี้ยวมาเห็นทีคาวุกุมานพระราชโอรสของพระองค์เกรงว่าพระราชโอรสจะทำอะไรไม่เหมาะสม จึงทรงเตือนด้วยพระโอวาทว่าลูกเออย่าเห็นแก่การยาวอย่าเห็นแก่การสั้นเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรพระเจ้าโกศตรัสพระโอวาทนี้ถึงสามครั้งพวกเพชฌฆาตและประชาชนเข้าใจว่าทรงเพ้อเพราะไม่อาจครองพระสติได้ ทีขาวุต้องการแก้แค้นแทนพระชนกชนนีจึงหาอุบายเข้าไปอยู่ในวังของพระเจ้าพรหมทัตรับใช้ใกล้ชิดหาโอกาสอยู่เสมอที่จะปลงพระชนพระราชาเสียวันหนึ่งเสด็จประพาสป่าให้ทีขาวุขับรถพระที่นั่งทีขาวุขับรถเร็วจนขบวนเสด็จตามไม่ทันเข้าไปในป่าลึก มีแต่พระเจ้าพรหมทัตซึ่งทรงพระชราแล้วกับทีขาวุหนุ่มทรงเหน็ดเหนื่อยบรรทมบนตักของทีขาวุใต้ต้นไม้วางพระแสงดาบไว้ใกล้พระองค์ทีขาวุนั้นหาโอกาสปลงพระชนพระเจ้าพรหมทัตมานานแล้วเขาคิดว่าบัดนี้โอกาสมาถึงแล้วจึงดึงพระแสงดาบขึ้นเพื่อปลงพระชนพระราชา แต่ขณะนั้นเองเสียงเตือนเหมือนแววมาจากอากาศว่าลูกเอยอย่าเห็นแก่การยาวอย่าเห็นแก่การสั้นที่คาวุทำอยู่เช่นนี้ถึงสองครั้งเขาชะงักมือเสียทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงนี้หรือระลึกได้ถึงพระโอวาสนี้พอครั้งที่สาพระเจ้าพรมทัต ท, ทรงตื่นบรรทมพระทรงสูบินนิมิตว่า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 พระชนกชนนีจะฟื้นขึ้นได้หรือเป็นต้นที่คาวุนั้นพระโอวาทแห่งพระบิดาเตือนสติอยู่แล้วจึงยอมไว้ชีวิตพระเจ้าพรหมทัตเมื่อเสด็จกลับแล้วพระเจ้าพรหมทัตจึงส่งมอบราชสมบัติแห่งแคว้นโกศลคืนให้แก่ทีคาวุแล้วให้อภิเษกกับพระราชกุมารีผู้เป็นพระราชธิดาของพระองค์ เมื่อพระเจ้าพรหมทัตซิมพระชนแล้วพีขาวุกุมานก็ได้ครองทั้งสองแคว้นคือทั้งโกศลและกาสีนี่คือคุณของการรู้จักตัดตอนสาม กล้าต่อสู้ความทุกยากความทุกยากลำบากเป็นฤดูกาลของชีวิตเหมือนต้นไม้ซึ่งจะต้องผ่านฤดูกาลทั้งสามจึงจะเจริญ ง, งอกงามได้ความทุกยากลำบากทำให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจเพื่อนและญาติพันรยาหรือสามีดีขึ้นผู้มีจิตใจเข้มแข็งเมื่อมีความทุกข์ย่อมเข้มแข็งมากขึ้น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 องค์การนั้นจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด 4. แม้สถานการณ์จะสอบไปในทางที่ทำให้เรารู้สึกว่าน่าจะสิ้นหวังแต่เราก็ต้องไม่หมดหวังเสียโดยง่ายคิดไว้เสมอว่าเมื่อเรายังมีความหวังและความเพียรอย่างสม่ำเสมอก็ย่อมจะต้องพบช่องทางตรงกันข้ามแม้เราจะหวังมากเพียงไร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 จากสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวโรรถจากหนังสือธรรมาจากสุปีที่70ฉบับที่7พฤศจิกา ย, ยน2529หน้า4เมื่อประสบความทุกข์ยากลำบากขอให้มีความอดกัน้นทนทานและรักษาความสงบใจไว้ก่อนความสงบที่แท้จริงของดวงจิตนั้นมาจากการยอมรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด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 หัดให้รางวัลแก่ตนเองซะบ้างอย่าหวังรางวัลจากผู้อื่นหัดชื่นชมตนเองซะบ้างไม่ใช่คอยแต่จะลงโทษตัวเองซ้มเติมตัวเองอยู่ร่ำไปแต่ขอให้ชื่นชมอยู่เงียบๆแอบภูมิใจในตนอยู่เงียบๆเหมือนดอกไม้บานอย่าไปชื่นชมตัวเองให้คนอื่นฟังบ่อยนะักเขาจะหมันไส้เดือหน่ายที่จะฟัง หัดซื้อของขวัญให้ตัวเองซะบ้างเช่นวันเกิดของเราวันเริ่มชีวิตใหม่ของเราเป็นต้นทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความระทมทุกข์ความเศร้าหมองข้องใจอันเนื่องจากความคิดว่าไม่มีใครเอาใจใส่ต่อเราไม่มีใครให้ของขวัญหรือรางวัลแก่เราเป็นต้น